พุทธมัสสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสนทนาสนทนาดิฉันสนทนากรุงเทพฯๆท่านเพราะฉะนั้นชีวิตในแต่ถามธรรมะ แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดอีกโอกาสหนึ่งของชีวิตเชื่อว่าได้เผื่อแผ่ FM 106 นะคะ, นะคะององ อ, 4 ที่ 10 เครื่องมือน่ะที่เหลือ ก็ต้องกราบขอบพระคุณเวลามาตอบคําถามเปิดธรรมที่ถูกค่ะแล้วก็คือท่านเริ่มต้นด้วยอานาปานสติก่อนจาก ที่จะระลึกถึงพระพุทธองค์อืม 3 แล้วระลึกถึง 4 ก็จาคะเอ้ยจาคะนะคะหรือจาคานุสติใช่จาคานุสติค่ะเป็นเรื่องศีลานุสติกันค่ะใช่เอ่อก็ ในการที่เราระลึกถึงธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะทําคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนะ นะผู้ปฏิบัติแล้วพึงรู้ได้ด้วยตัวเองนะควรนํามาพิสูจน์คุณ นั่นไอ้ความเห็นอัตมานะนี่ความเห็นอัตมาค่ะเนาะคือถ้าท่านท่องสวาขาโตภควตา และท่านๆใช่ว่าสามารถเป็นการเจริญสติเป็นเครื่อง 4 หรือใช่ๆแต่เพราะในขณะๆฟุ้ง มันก็จะเป็นเครื่องมือในการ นามว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนึกถึงไอ้จังหวะที่เราเคยทําได้ทํานุ่งเอ่อโกนผมห่มเหลืองนะ นะไม่ใช่นึกถึงธาตุสีของท่านนะไม่ใช่นึก คือคือบางทีเราเอ่อการไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ค่ะนะคะคือถ้าทําก็ มีอาจารย์ใหญ่ผ่านมาสมมุตินะคะเวลานี้อาจารย์ใหญ่มาอยากให้อาจารย์ใหญ่เห็นว่าเราเป็นพลเมืองๆมีวาระซ่อน มันคงเราก็ระบัดใจอ่าพระพุทธเจ้าจึงให้เครื่องมือไว้หลายอย่างไงถ้าไม่ได้ตรงนี้คุณต้องเอาอีกตรงหนึ่งนะถ้าไม่คือ เป็นมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายสรุปแล้วท่านกําลัง 9 เลยวิธี<ใช><ใช> 9 <ใช>มรณานุสติต่อจากสังขารค่ะซึ่งซึ่งมรณานุสติเนี่ยหลายๆเนี่ยของเรื่อง นะคือนึกถึงความตายซึ่งกระบวน นะ, นะ, 2 สเต็ป 2 ขั้นตอนของมรณานุสติอ่ะนะค่ะคือระดับแรกเนี่ยคือระลึก นะเดินสุดทางม้าลายล้มได้ตายก็มีซึ่งตัวนี้คือขั้นตอนแรกนะว่าถ้าเกิดว่าเราตายแล้ว แล้วก็มีอาหารไม่คุณกินจานหนึ่งกับไฟไหม้ผมอยู่คุณจะเอาอะไรคุณต้องดับไฟก่อนที่จะกินอาหารด้วยซ้ําเพราะ ดิฉันเองก็คล้ายๆกับที่ท่านภิบูรณ์พูดเลยว่าอยู่ในเออเราเนี่ยก็ตายแน่ตายแน่ตายแน่ ค่ะแล้วแล้วก็ดีดีแล้วใช่ๆดีตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกให้ซึ่งพระพุทธเจ้าให้คํา คือคุณเห็นแต่ปัญหาแต่คุณไม่เห็นทางแก้นะคุณเอาแต่ปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณโชว์แต่ปัญหาๆมันมีปัญหานะแล้วก็เสนอทางออกค่ะ คืออะไรมาพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับที่ที่พระเจ้าแสดงไว้นะแต่คุณโยมอ่าคือท่านพูดว่าข้อที่ 9 อุบาสมาเนี่ยก็คือหมายถึงความสงบระงับนะความสงบระงับความดับความ เอ่อใจกลางของมันจะนิ่งเลยใจกลางของไต้ฝุ่นใจกลางของพายุเนี่ยมันจะนิ่งเลย ต้องนุสติได้มากเหมือนกับว่าคนที่จะมีๆเหมือนกับว่าใช่ๆๆถูกต้องถูกต้องๆสถานการณ์คนที่ฝึก นะถ้าใจเค้าวุ่นวายวุ่นวายไปตามด้วยเค้านะหมอหรือพยาบาลที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินพวกนี้นะ 10 ข้อเลย ท่านเกบุนอยากสรุปอะไรสักนิดมั้ยคะเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมือในการที่จะฝึกจิตของช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดมีใจมุ่งใช่ทําได้แน่ <c oughs> ค่ะท่านผู้ฟังได้ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปค่ะท่านวิบุลค่ะต้อง ท่านไปบูชานี้หน่อยคือท่านหน่อยทุกเดือนนะคะแต่ดิฉันก็จะเกรงใจท่านทุกครั้งถ้าหากว่าไปรบร้าว ผู้ที่เป็นสาวกแล้ว 27 ที่นั่นจะมีการ พรุ่งนี้